ถามว่าอริยามรรคนั้นเป็นสังขารหรือวิสังขารตอบว่าอริยามรรคนั้นเป็นสังขารแต่เป็นยอดสังขารสมด้วยพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ในอักขปสาทสูตรว่ายาวตาพิขเวธรรมมาสังคตาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมะทั้งหลายเหล่าใดอันปัจจัยปรุงแต่งอริโยอะทังกิโกมัรโคอริยมัคที่ประกอบด้วยองค์8ปดประการเตสังอคมัคชายติ ak ak เราตถาคตกล่าวว่าเป็นยอดของสังคตาธรรมทั้งหลายเหล่านั้นดังนี้ถามว่า สิ่งอะไรๆในโลกนี้ที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองตลอดจนกระทั่งตัวของเราเองก็เป็นสังขารไม่เที่ยงมีความแปรปรวนและเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเมื่อเป็นเช่นนี้เราควรเลือกเอายอดสังขารคืออริยมรรคเพราะไปต่อกันกับอริยผลถัดจากอริยผลก็นิพพานซึ่งเป็นวิสังขาร สิ่งที่ปราศจากการปรุงแต่งทีเดียวตอบว่าถูกแล้วเพราะฉะนั้นต้องละความยินดีในสังขารทั้งหลายให้หมดถ้าไปชอบสังขารอย่างใดไว้ก็ต้องได้สังขารอีกนั่นแหละ